คนเรามาวัดก็ด้วยหลายสาเหตุส่วนใหญ่นะมาวัดก็เพราะอยากได้บุญอยากได้บุญก็ต้องทำบุญถ้าถามว่าอยากได้บุญไปทำอะไรก็ส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าถ้าได้บุญแล้วก็จะมีความสุขความเจริญมีทรัพย์สมบัติมีความสาเร็จในการงาน มีโชคมีลาบมีคู่รักคู่ครองที่สมหวังแต่ก็น่าคิดว่าแม้จะได้อย่างที่ต้องการคือสะสมบุญจนกระทั่งเกิดความสู่ความเจริญในทางยศรัพย์อำนาจมันจะทำให้เรามีความสุขจริงหรือเปล่าเพราะว่าคนจำนวนไม่น้อยก็ มีเงินมีทองนะมีราบมียศแต่เขาก็ยังมีความทุกข์นอนไม่หลับมีความดันขึ้นนะให้ความดันขึ้นเป็นข้ อ, อไหลนะนะมันก็เป็นเรื่องของใจด้วยไม่ใช่เป็นเรื่องของสุขภาพกายอย่างเดียวแต่คนอีกส่วนหนึ่งอย่างเช่นพวกเราก็มาเข้าวัดเพื่อฝึกฝนจิตใจ พอเราตระหนักว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีทรัพย์สินเงินทองแค่ไหนหรือว่ามีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นกับเรามีโชคลาภวาสนาตอนนั้นไม่ใช่นะเพาเราเชื่อว่าสุขก็อยู่ที่ใจทุกข์ก็อยู่ที่ใจอย่างอื่นน่ะเป็นส่วนประกรอบอยู่ที่ใจหมายความว่ายัางไงนะ ส่วนนึ้งก็หมายถึงการที่เราได้ลดละความอยากได้ลดละความโกรธ <c oughs> ลดละซึ่งความอยากมีอย่างเป็นอย่างที่เราได้สาธยายเมื่อกี้นี่ว่าสาเหตุแห่ทงทุกข์ก็คือการมาตั้หาความอยากได้วัตถุสิ่งเสพเพราะว่าตันหาความอยากมีอยากเป็น วิาพาตันหาคือความไม่อยากมีไม่อยากเป็นหรือว่าความอยากจะหลุดจากสภาวะบางอยา่างในตรงนี้เนี่ยนะมันเป็นที่หมายความทุกพวกเราก็รู้ดีนะเพราะว่าเราได้อ่านได้ฟังเรื่องธรรมจักรกัปตันทศุลมาตั้งแต่เรียนประถมมัธยมแต่ทาไมยังมีความทุกอยู่นะ ก็เพราะว่าเรารู้แค่ในระดับสมองสมองนะแต่ว่าใจมันยังไม่คล้อยตามที่จริงอย่าว่าแต่เรื่องของการลดละความโลคความโกรธนะความหลงเลยเพียงแค่การมีมุมมองที่เกือ้อที่เ อ, อื้อเกื้อกูลนะหลายคนก็ทาไม่ได้ หลายคนก็มีมุมมองแต่ในแง่ลบมีแม่คนหนึ่งจะเห็นแต่แง่ลบของลูกเพราะว่าลูกเป็นออทิสติกก็จะคอยเห็นแต่ปัญหาที่ลูกสร้างขึ้นทั้งในบ้านแล้วก็ที่โรงเรียนที่บ้านก็ยังพอทำเนาแม่ก็คอยดูแลแต่ที่โรงเรียนไม่รู้เลยว่าลูกไปทําอะไรบ้าง เวลาลูกชายวัยสีห้ากลับมาก็จะถามว่าลูกได้วันนี้ไปไปก่อเรื่องก่อราวนะไปสร้างปัญหามาหรือเปล่าถ้าแม่ที่มองแบบนี้เนี่ยนะก็จะมีความสุขได้ยากนะเพราะว่าเห็นแต่ในแง่ด้านลบของลูกสุดท้ายลูกเองก็ซึมซับรับเอามุมลบ ไปด้วยครูให้นักเรียนเขียนเรียงความว่าสิ่งที่นักเรียนภาคภูมิใจปรกากฏนักเรียนคนนี้เขียนไม่ออกเลยเพราะว่าไม่มีอะไรดีสักอย่างมีความรู้สึกแบบนั้นกระดาษเปล่าครูก็เลยเอากระดาษเปล่ามาให้แม่ เพราะว่ามันผิดปกติเลยพอแม่เห็นกระดาษเปล่าแม่ก็ร้องไห้เยเพราะรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรคือแม่เห็นแต่ด้านลบของลูกแล้วแม่ก็ไม่มีความสุขแล้วลูกก็พอไม่มีความสุขด้ว ย, ยแม่ก็มาแนะนำแม่มาปรึกษาว่าทายังไงดีก็แนะนำว่าให้มองลูกในแง่บวกบ้าง เวลาลูกกลับมาโงเรียนก็ถามว่าลูกได้ทำอะไรดีบ้างแน่นอนถ้าแม่มองแบบนี้แม่ก็จะมีความสุขขึ้นมีความกังวลกับลูกน้อยลงมีคนหนึ่งเขียนจดหมายมาถามใน Facebook ว่าเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าโลกมันอยู่ยากมากเลยมันมีแต่ข่าวไม่ดีข่าวดาราแย่งผัวแย่งเมียกันข่าว พระประพฤติตนไม่ถูกต้องนักการเมืองคอร์รัปชันอุบัติเหตุคนตายก็ไป 20-30 โลกนี้มันอยู่ยากเหลือเกินไม่รู้จะทำยังไงดีนะ่อมาก็ตอบไปว่าก็อย่าไปมองแต่ข่าวร้ายเฉยนะข่าวดีมันก็มีเรื่องดีๆมันก็มีอยู่รอบตัวเราสิ่งที่รอบตัวเราก็มีทั้งสิ่งที่ชวนให้ชื่นชม แล้วก็อยากจะรักษาเอาไว้ให้มันดียิ่งขึ้นก็ไม่ต้องดูอื่นไกลก็หัดมาหันมามองสิ่งดีๆที่อยู่กับอยู่ในบ้านเราสามีหรือว่าลูกนะเพื่อนไม่ต้องไปมองไกลถึงเรื่องข่าวสารบ้านเมืองที่มันอยู่ไกลตัว แล้วเราก็จะพบว่ามันมีสิ่งดีๆที่จะให้เรายิ้มได้เขาได้อ่านเขาก็ตอบมาว่าเออจริงนะเขาได้อ่านคําตอบแล้วเขารู้สึกเขายิ้มได้เลยนะเผลอไปมองแต่ด้านลบที่มันอยู่ไกลตัวไอ้สิ่งดีๆที่มันอยู่ใกลตัวมองไม่เห็น <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องมุมมองนะคนจน น, น้อยเนี่ยมองแต่ด้านลบเห็นแต่ด้านลบพวกเราหลายคนก็คงรู้จักนะ ประพาชชนสรารนน์อยู่เบื้องหลังเว r ร p o บริษัท Workpoint นะที่ทำรายการเกมโชว์ต่างๆมากมายจะเล่าว่าอันนี้ก็หลายปีมาแล้วนะว่าวันหนึ่งก็ได้รับเชิญให้ไปช่วยสอบสัมภาษณ์ผู้หญิงสองคนนะอายุก็ยังไม่มากสัมภาษณ์คนละวัน พ่อพแกก็ถามคนแรกว่าช่วยเล่าหน่อยที่ทํางานเก่าเป็นอย่างไรแล้วทําไมอยากอยากเปลี่ยนงานใหม่อยากเปลี่ยนที่ทํางานเพียงก็จะบอกคนักงานก็บอกว่าเนี่ยที่ทํางานเก่าไม่ดีเลยพนักงานเอาแต่เล่นการเมืองนะข้ามหัวกันประจบเจ้านายนะ ไม่มีความสามัคคีเลยขาดความที่สร้างสรรค์ไม่มีความเอืออาถรแถมยังแทงข้างหลังด้วยประภาศคุณระภากจะฟังแล้วแกก็หน้ามุ่ยเลยนะวันสองสวันต่อมาก็สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งว้ใกล้ๆกันถามว่าที่ทำงานกาเป็นอย่างไร มอที่ทํางานเก่าดีมากเลยพนักงานมีความสามัคคีกันนะเอื้อเฟื้อกันเจ้านายนี่ก็เป็นกันเองกับลูกน้องถือว่าเหมือนกับลูกเหมือนหลานนะช่วยเหลือเกือเอเ้อเฟื้อเอื้อเฟืเอกลูนกันนะสิ่งที่มันน่าสนใจคือว่าทั้งสองคนเนี่ยมาจากที่ทํางานเดียวกันนะที่เราฟังนุ่มมาจากที่ทํางานคนละที่นะอันนึงมาจากนรกอันนึงมาจากสวรรค์ ใช่จริงไม่ใช่หมาที่ทํางานเดียวกันแล้วทําไมทั้งสองคนจึงมองเห็นภาพต่างกันมันอยู่ที่มันเป็นเพราะว่ามุมมองหรือเปล่าความจริงเป็นยังไงไม่รู้แต่เราก็เห็นได้เลยว่าไอ้มุมมองที่ต่างกันก็ทําให้เห็นภาพที่ต่างกันระหว่างสองคน เขาก็ถามคนที่สองว่าทำไมอยากเปลี่ยนงานละ่ะในเมื่อที่ทํางานเก่าดีอย่างนี้เขาบอกว่าที่ทํางานใหม่ไอ้ที่ทำงานเก่ากาลังเปลี่ยนลักษณะงานเขาไม่ถนัดก็เลยอยากจะมาทํางานกับ Workpoint นี่ก็เป็นตัวอย่างนะว่าความจริงเป็นอย่างไรไม่รู้นะแต่ถ้ามุมมองมันต่างกันนะคนหนึ่งมองลบอีกคนนึงมองบวกมันก็ให้ภาพแบบนี้แหละแล้วเราจะเชื่อใครดีนะจากสิ่งที่เรารู้แน่ๆคือว่า คนแรกเนี่ยคงทำงานไม่มีความสุขะนะคนที่สองต่างหากที่ทำงานแล้วมีความสุขที่ทำงานจะไม่ดีก็ได้นะแต่ว่าเขามองเห็นแต่ด้านดีเขาก็เลยมีความสุขนะเพียงแต่ว่าไม่ถนายกับงานใหม่นะถ้มุมมองนี้ก็สำคัญมากเลยนะที่จะส่งผลต่อความสุขหรือความทุกข์ของคนคนที่ มองแต่งแง่ลบนะก็ก็คงมีความสุขได้ยากคนที่มองแง่บวกก็จะมีความสุขได้ง่าย <c oughs> อันนี้มันก็โยงถึงประเด็นที่ว่าความสุขมันเกิดจากอะไรนะมันไม่ได้เกิดจากการที่มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าเรามองแต่ในแง่ลบก็ทุกแม้จะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเราแต่เรามองในแงบ่บวก ก็สุกได้เมื่อวันก่อนก็มีคนเขียนมาเล่าถึงเรื่องราวของผู้หญิงชาวไต้หวันนะแกมีปัญหาพิการที่สมองนะแกพูดไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้หมายถึงการเดินนะแต่แกพอเขียนได้แลวที่น่าสนใจคือแกจบปริญญาเอง จากไหนนะจากหมาาหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย UCLA นะ UCLA นี่มันระดับโลกเลยนะ UCLA คนสมองพิการนะทำไมถึงเรียนจบไปริญญาเอกก็มีคานหนึ่งแกได้รับเชิญให้ไปไปพูดให้กับ น, นักเรียนแกพูดไม่ได้นะแกต้องเขียนเอาก็มีคนหนึ่งนักเรียนคนหนึ่งนะลุกขึ้นยืยนแล้วก็ถามว่า คุณมองตัวคุณเองยังไงเป็นคำถามที่ตรงมากเลยคนในห้องประชุมก็อึ้งเลยนะเพราะว่าคำถามแบบนี้มันมันตรงเกินไปมาถามคนพีการเนี่ยคุณมองตัวเองยังไงแจ้ก็ตอบดีนะเขาเขียนเขเขียนใส่กระดานก็บอกว่าฉันเป็นคนน่ารักฉันมีขาที่เรียวสวยพ่อแม่รักฉันพระเจ้าก็รักฉันแะเป็นคริสนะฉัน สามารถจะเขียนหนังสือแล้วก็วาดภาพได้และฉันมีแมวที่น่ารักแล้ว้อที่เจ็ดเนี่ยแกบอกว่าอันนี้ทําให้คนอึ้งมากอว่าฉันไม่มองสิ่งที่ฉันไม่มีฉันมองแต่เฉพาะสิ่งที่ฉันมีโอ้คนตกมือกันสนั่นเลยนะเพราะว่าแกน่าจะเป็นคนที่มีความทุกข์นนะเพราะว่า ขาดบกพร่องขาดพร่องในหลายสิ่งหลายอย่างที่คนทั่วไปมีแต่แกไม่สนใจสิ่งที่แกไม่มีแกสนใจสิ่งที่แกมีแล้วแกก็ใช้สิ่งที่แกมีอย่างเต็มที่จนกระทั่งสามารถจะเรียนจบปริญญาเอกได้ศิลปศาสตร์ดุษริบัณฑิตแล้วก็สามารถจะวาดภาพเป็นนิทรรศการสวยงามได้อันนี้ก็ตรงกับที่ มีคนไทยคนหนึ่งเขาเราว่าเขาได้ขี่จักรยานรอบโลกนะแล้วลมีช่้หนึ่งเขาก็ไปขี่ไปแถวเทือกเขาฮิมาลายแล้วก็แปลกใจมากว่ามีคนพิการคนแขนขาดคนเป็นมะเร็งขี่จักรยานกันนะพวกที่มีความใฝ่ฝันซึ่งคนธรรมดาเนี่บางทีทำไม่ได้เขาก็ไปสัมภาษณ์นะ แล้วก็พบว่าทั้งหมดนี่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเขาเขาไม่สนใจสิ่งที่เขาขาดนะเขบอกว่าเนี่ยคนเราจะก้าวไปข้างหน้าได้เนี่ยต้องไม่คิดถึงสิ่งที่ไม่มีหรือว่าสิ่งที่เป็นข้อด้อยแต่ต้องคิดถึงสิ่งที่เรามีคนเราจะสารฝันให้สำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้ใช้สิ่งที่เรามี มากน้อยเพียงใดคือคนเราเนี่ยถ้าไปสนใจสิ่งที่ไม่มีเช่นแขนขาดขาขาดนะมันทอนะแต่คนพิการเหล่านี้นี่เขาสามารถจะทําสิ่งที่คนธรรมดาบางทีก็ทําไม่ได้เพราะว่าเ้าสนใจสิ่งที่เขามีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมุมมองแบบที่เป็นบวกก็ได้เป็นการมองบวกนะน่าสนใจนะว่าหลายคนก็คิดแบบนี้นะ มีผู้หญิงคนหนึ่งนที่จริงเป็นพี่น้องสองคนแกเป็นทาัสซีเม่ทั้งคู่เลยเป็นโลกเลือดหมอก็บอกว่าอยู่ได้ไม่เกินยี่สิบก็จะต้องตายเพราะเป็นอย่างแรงแต่ปรากฏว่าก็อยู่ได้ไาถึงสาสิบกว่าเขาจะว่าคนน้องเพิ่งตายไปสปักปีสองปีเนี่ยทั้งสองคนนี่อ่อนแอมากตาโปนตัวคล้ายแกรนหกล้มเมื่อไหร่ก็ กระดูกเปราะแขนหักขาหักต้องใส่เฟือกคนที่เติบโตมาแบบนี้น่าจะมีความทุกข์นะเพราะไม่รู้จะตายเมื่อไหร่แต่ก็มีความสุขมากก็มีคนถามว่าทำไมเธอถึงมีความสุขแล้วคนน่นก็ตอบว่าเลือกฉันอาจจะแย่นะแต่ว่าฉันก็มีตาเห็นสิ่งสวยงามมีจมูกดมกลิ่นหอมมีหูฟังเสียงที่ไพเราะมีปากที่กินของอร่อยแล้วก็มีร่างกายที่ ทำอะไรได้หลายอย่างแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วมองนี่เหมือนกับหญิงสาวไต้หวันคนนั้นเลยคือไม่ไม่สนใจว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ด้อยมีอะไรบ้างแต่ว่าสนใจว่าสิ่งที่ฉันมีดีมีอะไรบ้างนี่คือการมองบวกในความหมายหนึง่งน้องสาวก็ก็พูดนะน่าสนใจเขาบอกว่า จึงแม้ว่าฉันจะใส่ต้องขาหักแขนหักใส่เฝกเป็นประจำแต่มันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าทำไม้ไม่ต้องไปโรงเรียนได้อยู่กับยายฟังยายอ่านหนังสือหรือว่าได้อ่านหนังสือเองได้ชื่นชมธรรมชาติคือมองว่าไอ้สิ่งที่แย่มันก็มีข้อดีอยังไงบ้าง ความเจความป่วยมีข้อดีอยังไงบ้างนี่ก็เป็นการมองในแง่บวกอีกความหมายหนึ่งมีสองความหมายนะสองแง่แง่หนึ่งคือการไม่จดจ่อแต่สิ่งที่แย่สิ่งที่ไม่มีแต่จดจ่อสิ่งที่ดีสิ่งที่มีอยู่เรื่อนที่สองคือว่ามองว่าสิ่งที่มันแย่เนี่ยมันมีข้อดีอยังไงบ้างนะคนเราถ้าหากว่าไม่มีมุมมองแบบนี้นะหรือมีมุมมองตรงข้ามนะ เป็นลบได้เท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขนะเช่นถ้าคอยแต่จะนึกเปรียบเทียบว่าคนอื่นได้เท่าไหร่ฉันได้เท่าไหร่หลายคนมีความดีดใจนะเวลาได้โบนนะัสแต่พอรู้ว่าเพื่อนเขาได้มากกว่านี่ทุกเลยเสียใจจันั้งที่ได้โชคได้ลาบนะแต่ทาไมเสียใจ นะก็เพราะว่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไปมองว่าฉันได้น้อยกว่าเขาบางทีนอกปฏิบัติธรรมก็เป็นนะอัตมาเคยไปบรรยายบรรยายจบก็เอาหนังสือมาแจกทีแรกก็หนังสือเล่มเล็ก ม, ม, ม, มาแจกก่อนคนได้ก็ดีใจนะโอ้ดีใจนี่ฉันได้ก่อนใครคนอื่นอาจจะไม่ได้แต่อกว่าพอเล่มเล็กหมดอัตมาก็เอาเล่มใหญ่มาแจกไอ้คนได้เล่มเล็กนี่ไม่พอใจนะขอคืน ขอเล่มใหญ่นะไอ้ที่ดีใจกัาเป็นเสียใจเลยนะพ่ออะไรนะวางใจผิดนะไปเปรียบเที่ยวคนอื่นนะเขาได้มากกว่าฉันเขาได้เล่มใหญ่กว่าฉันยังไม่ได้ดูเลยว่าเนื้อหามเป็นยังไงเล่มเล็กอาจจะดีกว่าก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าพอเห็นว่าเล่มใหญ่นะฉันไม่เอาแล้วเล่มนี้ขอคืนขอเอาเล่มใหญ่อัตมาก็ก็ก็ต้องยอมให้นะไม่มีเวลาอธิบายว่าเนี่ย ใ, ใจที่คิดแบบนี้เนี่ยนะมันมันทุก นะคุณจะได้โชคได้ลาบเท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะทุกข์เมื่อคุณรู้ว่าคุณได้น้อยกว่าคนอื่นมีคนที่เขาทำงานเป็นพนักงาน c อซ l นเตอร์ hotline ที่กรุงเทพเขาก็มาเล่าว่าเนี่ยว่าเจอคนมีความทุกข์มากมายและคนที่ทุกข์นี่ไม่ใช่คนจนนะคนที่มีปัญหานะบางทีคนรวยก็มีนักธุรกิจถึงแม้จะไม่เปิดเผยชื่อนะ แต่ว่าฟังความทุกข์ของเขาแล้วเนี่ยแสดงว่าเป็นนักธุรกิจระดับระดับชาติทีเดียวทุกเพราะอะไรทุกเพราะว่าปีนี้กำไรแค่ห้าพันล้า น, นทำไมถึงทุกข์อ่ะก็ปีปีก่อนมันได้เจ็ดพันห้าร้อยล้านห้าพันล้านยังทุกข์อีกนะนี่เพราะอะไรเพราะมุมมองมันไม่เกี่ยวกับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา มันไม่ได้มีแม้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราถ้ามองไม่เป็นก็ทุกข์แต่ถ้ามีสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นกับเรามองเป็นก็สุขได้เช่นการมองแต่มองในแง่บวกมองแต่สิ่งที่ฉันมีเมื่อกลางวันก็เล่าให้โยมที่มามาเข้าคอร์สฟังแล้วว่าเมื่อประมาณปีห้าสาม ก็มีเหตุการณ์ไม่สงบในกรุงเทพก็มีการเผาศูนย์การค้าก็มีฮ้างสุกี้ชื่อดังโดนลูกหลงไปถูกเผาไป4สาขาหมดไปหลายสิบล้านนะผู้จัดการก็มาโอดครวนกับ CEO แต่ซ e o นี่กับปลอบใจนะบอกว่าร้านเราถูกเผาสี่สาขานะแต่เรามีต้อง320 เขาไม่ได้พูดนะว่าจะทุกข์ไปทําไมนะแต่ว่าไนยยะก็บอกอยู่แล้วว่าจะทุกข์ไปทําไมในสิ่งที่เสียไปมันน้อยกว่าสิ่งที่เรายังมีอยู่เยอะเนี่ยเขาเป็นเจ้าของนะครอบครัวก็เป็นเป็นเจ้าของสูกี้ชื่อดังแต่เขาก็ไม่ทุกข์นะเพราะว่าในสิ่งที่เขาไม่มาสนใจสิ่งที่เขาเสียไปเขาสนใจสิ่งที่เขามีอยู่มันแค่ไหนแล้วมันก็เยอะกว่าสิ่งที่เสียไปหลายเท่าตัวเปรียบเทียบกันไม่ได้ การมองแบบนี้เนี่ยเราทำพุทธศาสานาเรียกว่าโยนิสโสมนัสิกการอย่างหนึ่งนะโยนิสโสมนัสิกการแปลว่าการทําในใจหรือการมองแบบแยบคายการมองที่เรากุศลก็เป็นโยนิสโสมนัสิกการแบบหนึ่งมีหลายแบบนะการมองว่าไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราก็ล้นแต่ดีทั้งนั้นดีที่ไม่แย่ไปกว่านี้นะอย่างเคยมีพระปุณณะเนี่ยเคยมาลาพระพุทธเจ้าไปเมืองสุนาปรันตะ ผู้เจ้าก็ท้วมว่าคนสุนาปันตานี่โหดร้ายนะถ้าเขาด่าว่าท่านท่านจะคิดอย่างไรพระพุณณะก็ตอบว่าเขาด่าว่าก็ดีกว่าเขามาทุบตีแล้วถ้าเขาทุบตีท่านท่านจะว่าอย่างไรเขามาทุบตีก็ดีกว่าเขาเอาก้อนหินมาคว้างแล้วถ้าก้อหินมาคว้างท่านจะว่าอย่างไรพระพุณณะก็ตอบว่าเข้อาก้อหินมาคว้างก็ดีกว่าเขาเอาไม้มาฟาดแล้วถ้าเขาเอาไม้มาฟาดท่านท่านจะว่าอย่างไร เอไม้มาฟาดก็ดีกว่าเอาของแหลมมาแทงอ่าแล้วถ้าเอาของแหลมมาแทงละ่ะน่านจะคิดอย่างไรพระคุณก็ตอบว่าเอาของแหลมมาแทงก็ดีกว่าเขาฆ่าให้ตายนะคือท่านมองอะไรเนี่ยเป็นดีหมดเลยดีที่ไม่แย่ไปกว่านี้ไม่เลวไปนน ก, กว่านี้ทีนี้พระเจ้าก็ถามว่าแล้วถ้าเขาฆ่าท่านให้ตายท่านจะว่ายอย่างไรพระคุณธนะก็ตอบว่าคนบางคนอยากจะตายก็ต้องไปหาไปหามีดมาหรือไม่ก็ต้องไปจ้างคนมาฆ่านี่ถ้ามีคนมาฆ่า ครับพระองค์ก็ก็ดีเหมือนกันคือไม่เหนื่อยนะคือถ้ามองว่าอะไรเกิดขึ้นท่านดีไปหมดเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราดีทั้งนั้นคือดีที่ไม่แย่ไปกว่า น, นี้ น, นี้เป็นการมองที่โยนิสโสมนสิกานนะซึ่งสิ่งที่คู่กันก็คือสติสติก็เป็นตัวเอื้อทำให้เกิดโยนิสโสมนสิกานโยนิสโสมนสิกาก็ทาให้สติกลับขึ้นมา สติปแปล ว, ว่าความระลึกไดนะ้บ่อยครั้งเราทุกข์เพราะเราลืมตัวนะเราทุกข์เพราะเราไปไปคิดนึกถึงสิ่งที่ทำให้ทุกข์คิดนึกถึงสิ่งที่สูญเสียไปแล้วไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของเอากลับมาไม่ได้แต่ว่าก็ยังคิดอยู่คิดแล้วเกิดอะไรได้ผลดีขึ้นมาไหมก็ไม่ไม่เกิดผลดี บางทีก็ไปนึกถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนึกถึงภาระที่ยังต้องสาสางหรือบางทีก็นึกถึงหนี้สินที่จะต้องจัดการ ย, างง ย, นะยังไม่ถึงเวลาส่งงวเลยนะยังไม่ถึงเวลาสกจ่ายหนี้ก็เอามาคิดแล้วคิดแล้วก็เลยทุกนะเพราะแบกหนี้เอาไว้ก็เคยมีคนถามหลวงพ่อ หลวงพ่อพยอมว่ามูลที่วัดสวนแก้วเนี่ยกู้เงินมาหลายสิบล้านนะเพื่อมาพัฒนาวัดแล้วทําโครงการเพืช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยนะหงพ่อทุกไหมหลวงพ่อเครียดไหมหลวงพ่อพยอมท่านยิ้มเลยบอกว่าจะเครียดทําไมไอ้คนที่น่าจะเครียดคือเจ้าของเงินนะว่าเราจะมีปัญญาจ่ายเขาหรือเปล่านะ อันนี้ท่านไม่ได้คิดจะเบี้ยวนะแต่ว่าถ้ารู้ว่าการผ่อนหนี้การจ่ายหนี้มันเป็นเรื่องอ น, อนาคตนะยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงวันจ่ายท่านก็ไม่เอามาเป็นกังวลนะท่านก็ทํางานของท่านไปนะอันนี้เรียกว่าต้องอาศัยสตินะเพราะถ้าไม่มีสติมันก็จะเป็นนึกถึงหนี้สินที่ยังค้างอยู่เสร็จแล้วก็แบกหนี้เอาไว้จนบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับ จนบางทีทำงานไม่ไดนะ้ยังไม่ทันจะทำงานเลยนึกถึงหนี้สินก็ใจก็ห่อเหี่ยวแล้วก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งทำให้มีความทุกข์มากขึ้นแล้วก็งานการก็ไม่ได้ดีขึ้นมาจะทำอย่า ง, งอาจารย์หลวงพ่อพยอมนะั้นก็ต้องมีสติเลยสติที่จะไม่ไปแบกไม่ไปยึด เอาสิ่งต่างๆมาเป็นเครื่องกังวลบองทีมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องอดีตนาคตนะสิ่งที่เป็นปัจจุบันมันเกิดขึ้นก็จะทุกหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราไปไปยึบไปแบกหรือไปจับมาช่วยหรือเปล่าเรามักจะโทษคนนั้นคนนี้ว่าทําให้เราทุกข์เหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้ทําให้เราทุกข์คนนั้นคนนี้เจ้านายลูกน้อง เขาทำให้เราทุกข์อาาเชษฐ์สาโร น, นี่พูดดีนะเขาบอกว่าไม่มีใครบังคับให้เราทุกข์หรอกมีแต่มาชวนให้เราไม่พอใจมีแต่มาชวนให้เราโกรธมาชวนให้เราเป็นทุกข์เขามาเชิญเรามันอยู่ที่ว่าเราจะรับคําเชิญหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเรารับคําเชิญเราก็ทุกข์เสียอย่างนี้เราโง่หรือฉลาดเขาแค่มาชวนเราให้เราไม่พอใจเขาแค่มาชวนให้เราไม่ ให้เราทุกข์เขามาเชิญเราก็ไม่ได้บังคับเราถ้าเรารับคําเชิญเราก็ทุกข์ไอการที่ไปรับพ่ออะไรเพราะว่าลืมตัวเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าไปไปจับไปช่วยมาแล้วก็ทุกข์นะแต่เราก็ยังจับยังช่วยไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางนีนสติเนี่ยมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของมุมมองอย่างที่พูดมาสักครู่นะ เรื่องของสติรู้จักปล่อยรู้จักวางทำไมถึงรู้จักปล่อยรู้จักวางเพราะว่ารู้ทันรู้ทันมาใจในี่ไปไปนึกถึงเรื่องอดีตไปนึกถึงเรื่องอนาคตใจจับไป่วยความทุกมาใส่จิตใส่ใจหินมันวางอยู่ข้างหน้าถ้าเราไม่แบกมันมันก็ไม่หนักนะมันหนักเพราะเราไปแบกมันใช่ไหมระหว่างการแบรกกับการปล่อยอันไหนง่ายกว่ากัน อะไรสบายกว่ากันถ้าไม่มีสติก็จะแบกเอาไว้นะแต่ถ้ามีสติ ก, ก็รู้วเอ้ยไม่รู้จะแบกไปทําไมโง่แท้ๆวางดีกว่าตรงนี้แหละที่ที่ทําให้พูดได้ว่าเนี่ยคนเราจะสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราใจเรามองมันอย่างไรรู้สึกกับมันอย่างไรหรือมีท่าทีกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรอันนี้ต่างหากยั้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ย ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ชัดนะการปฏิบัติของเราก็จะมีทิศทางาแล้วเราก็คํานี้ก็พูดกันท่านนี้กับพระ